บางคนดื้อ น, นะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะไม่มีใครสอนได้จะดื้อพวกที่เรียนกรรมฐ า, านยากมีสองพวกพวกหนึ่งเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอีกพวกหนึ่งติดสมถะมีสองกลุ่มนี้แหละเรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้เจ้าความคิดเจ้าความเห็ น, นก็ฟุ้งซ่านไปติดสมถะมันก็นิ่งเกินไปนสุดโต่งไปสองฝั่งนะนะั้นแหละ ถ้ธรรมะจริงๆเป็นเรื่องทางสายกลางธรรมดาธรรมดานี่เองง่ายๆที่สุดเลยถือศีลห้าไว้ศีลห้าไม่ต้องไปขอใครให้ตั้งใจรักษาเอาเองตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกว่าวันนี้เราจะรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นก็นึกว่าเราจะรักษาศีลห้าก่อนนอนนึกว่าอีกรอบเอาให้ได้ห้ารอบพอดีน มุสลิมคขาละหมาดวันหนึ่งหครั้งนะเราก็ตั้งใจรักษาศีลห้าข้อวันละห้าครั้งนึกเร่ๆนึกไปล้วจะได้อะไรเวลาจะทำชั่วทำไม่ดีมันจะมันจะเตือนตัวเองได้และอายใจแล้วพอเราทำไปช่วงหนึ่งนะมันจะเป็นพลังขึ้นมาในใจของเราสมาธิมันจะเกิดแค่เราะระลึกถึงว่าเรามีศีล รักษามาได้ช่วงหนึ่งละระลึกถึงได้ปุ๊บสมาธิเกิดปีติเกิดมีปีติมีความสุขขึ้นมาจิตใจสงบนึกถึงศีลแล้วร่มเย็นเป็นสุขในใจเกิดสมาธิง่ายมีศีลคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิหรอกสมาธิที่มีอยู่ก็จะเสื่อมไปบางคนก็เสื่อมช้าสมาธิเขาเยอะบางคนมันได้ถึงอรูปฌาน ทําบาปทาชั่วอะไรเงี้ยค่อยๆเสื่อมก็ เ, เสื่อมลงเรื่อยๆนอกจากรักษาศีล น, นะทุกวันต้องทําในรูปแบบแการทําในรูปแบบเนี่ยเบื้องต้นไหว้พราสวนมนต์ส่นหน่อยนักมวยเขาจะชค ก, กันก็ยังไหว้ครูเลยเรานักปฏิบัติเราก็ต้องไหว้ครูเหมือนกันคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงพระธรรมพระประสงค์ก็พิดในภาพรวมของพระสงค์อย่าไปคิดเป็นองค์ลนะ เกิดเราเป็นนับถือพระปลอมมันแกล้งปลอมมาบวชเราเป็นนับถือองค์นี้นะตั้งใจขอให้ได้รู้ทำเห็นทำตามองค์นี้มันจะอุบาตตามเข้าไปด้วยงนะันตั้งใจคิดถึงพระพุทธธรรมประสงค์ิดนึกถึงเป็นองค์องค์ไปนะพอนึกถึงครูบาอาจารย์เสร็จนึกถึงพระเสร็จนะก็ได้เวลาลงมือปฏิบัติจริงๆแล้ในรูปแบบ การทำในรูปแบบต่างกับการปฏิบัติในชีวิตจริงๆการทำในรูปแบบเนี่ยเราลดอายตนะคือการที่จะช่องทางที่จะไปสัมผัสโลกภายนอกลดลงไปหลายอันอยู่ในโลกข้างนอกในชีวิตประจาวันเนี่ยเราใช้อายตนะทั้ง6ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตลอดเวลาแต่เวลาเราทำในรูปแบบหนะ้าตาเราก็ไม่ได้ไปดูอะไรแปลกๆนะความสนใจทางตาไม่มี เสียงก็ไม่มีเสียงอะไรแปลกๆความสนใจทางหูไม่มีนะจมูกลิ้นเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ใช้งานความสนใจจะเหลือแต่กายกับใจลดลงเหลือสองช่องเองเป็นหลักๆเรารู้สึกอยู่ในใกายรู้สึกอยู่ในใจถ้าวันไหนมันฟุ้งซ่านรู้สึกกายรู้สึกใจไม่ได้เวลาทำในรูปแบบอันนั้นทำความสงบทำสมถะ จะพุทโธพุทโธในใจก็ได้นะจะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้สมถะทั้งนั้นแหละแต่สมถะอันนั้นควรจะเลือกอันไหนที่เราทําแล้วมีความสุขเราเอาอันนั้นแหละพุทโธแล้วมีความสุขล้วก็พุทโธรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเรารู้ลมหายใจดูท้องพองยุบมีความสุขดูท้องไปถ้าเคลื่อนไหวอย่ยงสายลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวแล้วมีความสุขก็เคลื่อนไหวไปแล้วรู้สึกไปรู้สึกรู้สึก เวลาใจมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันใดนะมันก็จะเป็นสงบอยู่ในอารมณ์ันนั้นไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นใจที่ฟุ้งซ่านนะเพราะว่าเที่ยววิ่งหาอารมณ์มันอยากได้ความสุขแต่มันหาไม่ได้มันก็วิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งหาความสุขเรื่อยๆไปนี่ถ้าเราเลือกสรรอารมณ์ที่ว่าอยู่กับมันแล้วมีความสุขออามาให้มันอยู่เหมือนเอาขนมมาลอดเด็กเด็กก็ไม่ไปสนที่อื่นเด็กมันนั่งกินขนมสบายใจ จิตนี้ก็เหมือนกันเา เ, าเอาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อมันงั้นไม่หนีไปที่อื่นอยู่ในอารมณ์มันเดียวเมื่อจิตยอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่วิ่งซ่านไปในอารมณ์อื่นนะจิตก็สงบนี่หลักของการทำสมถะกรรมฐานใครถนัดสมถะอันไหนนะใช้ถนัดอารมณ์ันไหนเอานนั้นแหละไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นฮะรู้หลักแล้วก็ไปดูตัวเอง แตอารมณ์มันนั้นต้องไม่ยั่วกิเลสอย่างเล่นไพ่แล้วมีความสุขเนี้ยนะมันไม่เกิดสมาธิที่ดีหรอกมันไม่สงบราคาโทสะมันแรงเล่นได้ก็ดีใจเล่นเสียก็เสียใจอะไรเงี้ยใจไม่สงบเพราะงั้นเราต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานที่มันไม่ยั่วกิเลสไม่ยั่วราค้าโทสะอะไรรุนแรงไม่ยั่วโมหะด้วย อย่างพุทธโธเนี่ยไม่ยั่งกิเลสหรอกรู้ลมหายใจไม่ยัว่วกิเลสรนะรู้อิริยาบถอะไรเงี้ไม่ยั่งกิเลสหรอกให้ใจรู้อารมณ์ที่สบายๆรู้แบบไม่เคร่งเครียดถ้าเคร่งเครียดแล้วจิตจะไม่สงบต้องรู้อย่างสบายนะเคล็ดลับของการทำสมาธิก็คือมีความสุขถ้าเรามีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรจิตก็มีสมาธิอยู่ในอารมณ์อันนั้นนะความสุขเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ เนี่ยวันไหนเราฟุ้งซ่านนะเราก็ทำสมถนะต้องไปดูตัวเองควรทำสมถะด้วยอารมณ์อะไรอวันนั้นแหลนะทำไปเรื่อยๆอย่าอยากสงบนะถ้าอยากสงบจะไม่สงบเลยนี่วันไหนถ้าจิตใจมันสงบดีแล้วนะไหว้พระสวมดมนต์ปุ๊บก็สงบแล้วเราก็ก้าวข้ามต่อไปไม่ต้องไปเริ่มที่สมถะก็ได้นะก้าวเข้ามาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่จิตตั้งมั่น สมาธิที่ใช้สงบนะจิตอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ไปไหนเลยอยู่กับอารมณ์เดียวสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูนะรู้อย่างสบายๆอะไรเกิดขึ้นก็เห็นมันอย่างสบายๆอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์นับไม่ถ้วนอารมณ์อะไรผุดขึ้นมาก็ด้วนนั้นแหละแล้วก็เห็นสิ่งนั้นมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจิตไม่ตามมันไป จิตไม่ไหลตามมันไปจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดูตัวนี้ต้องฝึกให้ดีพรกเราเวลาทำสมาธินะจิตจะไหลอย่างเรารู้ลมหายใจจิตไม่กจะไหลไปอยู่ที่ลมดูท้องพองยุจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้จิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปให้รู้ทันจิตที่ไหลจิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตไหลไปกับพุทโธก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้คอยรู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆจิตจะตั้งมั่นเอง ที่หลวงพ่อสอนนี้มีแต่เรื่องเป็นเองทั้งหมดเลยนะสมาธิก็เกิดเองแค่เราเลือกอารมณ์ที่ถูกต้องเท่านั้นเองแล้วก็รู้ไปอย่างสบายๆ ส, สมาธิก็เกิดเองจิตตั้งมั่นก็เกิดเองถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเกิดเองถ้าจงใจให้เกิดนเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนนะลักษณะจิตที่เป็นกุศลนีสี2กลุ่มนะอันหนึ่งเขาเรียกสังขาริกงังอีกอันหนึ่งอาสังขาริกงัง ถ้าอย่างต้องโน้มนาวชักชวนให้เกิดเนี่ยเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนถ้าเกิดเองเนี่เป็นกุศลที่มีกำลังกล้าเรามาฝึกให้มันเกิดเองจะได้เป็นกุศลที่แรงสมาธิก็แรงศีลก็แรงปัญญาก็แรงถ้าจงใจให้เกิดนะเป็นสมาธิก็อ่อนนะศีลก็อ่อนปัญญาก็อ่อนวิธีที่ให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องนะมีความเข้มแข็งก็คือแค่รู้ทันว่าจิตเคลื่อน อย่าบังคับจิตมาห้ามเคลื่อนจิตมันจะเคลื่อนก็ไม่เป็นไรนะรู้เราพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดรู้พุทโธจิตไปจับความว่างรู้รู้ลมหายใจจิตนี้ไปคิดทีรู้นะรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมก็รู้นี่ฝึกอย่างนี้เดินจงกรมไปจิตนี้ไปคิดทีรู้จิตไหลไปอยู่กับเท้าก็รู้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไว้อย่ทีนี้เราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่น เรสมาธิสงบนะมีข้อหนึ่งอยากฝากไว้ไม่ใช่แค่เลือกอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสไม่ใช่แค่ว่าภาวนาสบายๆอารมณ์นั้นอะ่ะควรจะเป็นอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราได้นะอย่าไปเล่นอารมณ์ที่เกินกายเกินใจออกไปอย่าไปนั่งดูเทียนดูไฟดูพระพุทธรูปดูลูกกุ้งลู ก, ล ก, ลกแก้วอะไรนี่ยมันดูออกนอกจิตสงบแล้วไปสงบไปข้างนอกนจะออกรู้ออกเห็นข้างนอก แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วตามแสงเอาไปไปดูโนโลกดูสวรรค์ดูไปถึงพระนุษย์พง์นิพพานน่ะของปลอมทั้งหมดเลยภูมิของเราไปเห็นพระนิพพานไม่ได้ใจก็สร้างขึ้นมานิพพานแต่ละสำนักหน้าตาไม่เหมือนกันพระพระนั่งไม่เหมือนกันแล้วต่างคนต่างเห็นบางคนก็ไปเห็นพระจุลามณีในดาวดึงจุรามณีแต่ละวัดมันไม่เคยเหมือนกันสักวัดเลย อันนั้นจุลามณีปรุงจุรามณีแต่งนะรู้ไหมพระจุลามณีสีอะไรถ้าคิดว่าจุรามณีสีอะไรก็ยังเรียว่าย่พระไม่เป็นเราไปไหว้เราระลึกถึงพระ เ, เจ้านะไม่ได้ไปดูเจดีย์เพราะฉนั้นเราต้องไม่ทำกรรมฐานนะที่มันออกนอกเอากรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจ ย่งพุโทโธพุธโทโธเนี่ยมันเนื่องด้วยใจของเราใจเป็นคนคิดพุโทโธรู้ลมหายใจนี้เนื่องด้วยกายดูท้องพองอยู่เพื่อเนื่องด้วยกายนัย้นทำกรรมฐานนะถ้าจะเอาสมถะแล้วก็อารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายด้วยใจแล้วรู้ไปอย่างสบายๆเนีย่ยสมาธิที่ดีจะเกิดขึ้นสงบแล้วไม่ออกนอกไม่เที่ยวเห็นแสงเห็นสีอะไรออกไปข้างนอกนั้นเดี๋ยวเพียน ถ้าจะฝึกสมาธิชนิดที่ให้จิตตั้งมั่นก็ทํากรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละใช้กรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่ไม่ย่น้อมจิตไปให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะเ mm hmm. ช่นเราพุโทโธพุโทโธไปแล้วเราคอยรู้ทันจิตตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวอารมณ์ตัวหลักนะไม่ใช่ตัวอารมณ์ละเป็นตัวจิตถ้าทําอาริยมรรคได้ปณิชานสมาธิชนิดสงบนะเอาอารมณ์เป็นตัวหลักน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่อง ถ้าทำสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยใช่จิตเป็นตัวหลักคือรู้กรรมฐานนะรู้เป็นแบ็กกราวไปใช่อารมณ์เป็นแบ็กกราวแล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธเรารู้ทันจิตหายใจเรารู้ทันจิตดูท้องพองยุบเรารู้ทันจิตจิตเคลื่อนเมื่อไหร่เรารู้รู้รู้ไม่ห้ามเคลื่อนอย่าไปห้ามถ้าห้ามเราจะแน่นเป็นตัวรู้ปลอมถ้าตัวรู้ตัวไหนแน่นๆนะตัวรู้ปลอมตัวรู้จริงต้องรู้ตื่นเบิกบาน มีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์เนี่ค่อยๆฝึกอย่างเราได้ตัวรู้ในการทำในรูปแบบนะไหว้พระสวดมนต์วันไหนฟุ้งซ่านทำสมถะให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขและไม่ยั่วกิเลสอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจถ้าสงบแล้วมาฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยการทากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้จิต จิตเคลื่อนเรารู้จีตเคลื่อเรารู้ก็จะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นถ้าวันไหนจิตมันตั้งมั่นดีแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทีแล้วนะก็ดูขันไปบางคนเนี่ยพอจิตตั้งมั่นปุ๊บขันแยกออกไปเป็นส่วนๆเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเลยความสุขความทุกข์ความดีความชั่วยแยกส่วนออกไปใจเป็นคนดูขึ้นมานี่ถ้าอย่างนี้แสดงว่าเคยเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติปางก่อนะของเก่ามันกลับมาอย่างรวดเร็วเลยเพรอจิต ตั้งมั่นถึงฐานปุ๊บละขันแยกเองเลยนี่บางคนไม่แยกก็ต้องช่วยมันแยกวิธีช่วยมันแยกก็คือมีใจเป็นคนดูนะเราเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกแใ่เป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายถ้าไปเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเดี๋ยฝึกมีใจเป็นคนดูไปด้วยพอนั่งนานๆเดินนานๆมันเมื่อยขึ้นมาก็เห็นความปวดความเมื่อย เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าอีกเป็นของถูกรู้ถูกดูอีกความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันนั่งมาตั้งนานแล้วความปวดความเมื่อยมันมาทีหลังเพราะงั้นมันไม่ใช่ร่างกายหรอกจ่เห็นเป็นอีกส่วนหนึ่งพอมันปวดมากๆอย่าเพิ่งขยับปวดมากๆก็นั่งต่อไปเห็นใจเราเริ่มทุรนทุรายความปวดอยู่ที่ร่างกายความทุรนทุรายอยู่ที่จิตเพราะงั้นความทุรนทุรายกับความเจ็บปวดทางร่างกายนั้นโคลดอ่านกันความทุรนทุรายเขาเรียกสังขารขันเป็นความปรุงของจิต ปรุงดีก็ได้ปรุงชั่วก็ได้ปรุงสงบก็ได้ปรุงฟุ้งซ่านก็ได้นะแล้วเราค่อยๆแยกไปนะมีใจเป็นคนดนะูร่างกายก็เป็นส่วนของรูปความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นส่วนของเวทนานะความปรุงดีปรุงชั่วเนะช่นความทุรนทุรายของจิตนะี่มเป็นโทสะนะก็เป็นส่วนของสังขารจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดนะูอยู่ในวิญญาณขันธ์อยู่ในกองวิญญาณจิตกับวิญญาณคืออันเดียวกันนะ จิตใจวิญญาณอันเดียวกันแหละแต่ทําหน้าที่โคลมมุมกันเท่านั้นเองนี่ค่อยๆหันแยกไปสัญญาอย่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันสัญญาดูยากมากเดี๋ยวเพี้ยนอย่าไปยุ่งกับสัญญาเพราะสัญญาของเราตอนนี้วิปลาสกุตุชนทุกคนสัญญาวิปลาสนะกุตุชนเห็นของไม่สวยว่าสวยเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของไม่สุขว่าสุขเห็นของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตน อย่างเรารู้สึกตัวเรามีจริงๆเนี่ยสัญญาวิปลาสเป็หมายรู้ผิดพอมีสัญญาวิปลาส ก, ก็มีจิตตะวิปลาสคือคิดผิดๆพอมีจิตตะวิปลาส ก, ก็มีทิฏฐิวิปลาสมีความเห็นผิดๆมันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆสุดท้ายได้ความเห็นผิดมานี่เร า, ม า, เาไมนะ่แยกขันออกไปนะแยกขันออกไปแล้วดูขันมันทํางานถ้าขันมันแยกแล้วก็ดูแต่และขันสแสดงไตรลักษณ์ รู ป, ปรขันก็ไม่คงที่เลยเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดีนะ๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเปลี่ยนไปเลยเวทนาขั น, น ก, ก็เห็นเวทนาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เฉยๆหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงหมุนไปเรื่อยเวทนานะี่เกิดในกายก็มีเกิดในใจก็มีถ้าเกิดในกายก็มีสุขมีทุกข์นะเกิดในใจมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆ สังขารเกิดที่จิตอย่างเดียวคือร่วมกับจิตเ <onn> ดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ไม่ดีไม่ชัว่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจะเห็นนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปกระทั่งตัวจิตเองตัวจิตเองเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเดี๋ยวก็กลับมารู้ลมหายใจเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปเพ่งตรงที่จิตหนีไปคิดนะี่จิตไปรู้ธรรมารมนะไปรู้ธรรมารมตรงมารู้สึกเพ่งอยู่ในร่างกายนีมาเพ่งจ้อง ร่างกายกระดุกกระดิกกจ่องรู้สึกอยูมารู้กายเนหะ็นจิตมันจะย้ายที่ไปเรื่อยเดี๋ยวไปรู้ตรงโ น, น้นเดี๋ยวไปรู้ตรงนี้นะถึงเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเปนความอย่างรู้อารมณ์รนะ่อนเร่ไปเรื่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่จริงก็จิตนะั่นแหละจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตที่เป็นวิญญาณทางตาคือไปเห็นรูปนะเกิดแล้วก็ดับ เกิดจิตที them, ่อื่นแทนเกิดจิตที่หูว่างเกิดจิตที่ใจบ้างหมุนเวียนไปเรื่อยจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตเกิดดับตลอดเวลาล่อนเรไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเรียกเป็นวิญญาณขันเป็นกองของวิญญาณกองของความรับรู้พอเราแยกขันได้แล้วเราก็ดูแต่ละขันแต่ละขันนั่นแหละตัวไหนเด่นก็รู้ตัวนั้นไม่จําเป็นต้องจงใจรู้อันใดอันหนึ่งไม่ใช่ต้องรู้แต่ร่างกายไม่ใช่รู้แต่จิต บางคนจะดูจ <existence> ิตก็ไม่ยอมดูกายนะใช้ไม่ได้บางคนจะดูกายไม่ดูจิตยิ่งใช้ไม่ได้หนักขึ้นอีกนะดูกายก็มีจิตเป็นคนดูดูจิตที่่าเห็นอีกร่างกายมันกระทบอารมณ์นะแล้วจิตมันเปลี่ยนตาเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเนี่ยจิตมันเปลี่ยนแปลง เฝ้ารู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญามันเกิดนะตัวรูปตัวร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเฝ้าดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะในสุดปัญญามันเกิดมันรู้ความจริงจิตมันยอมรับความจริงสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะ ทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเป็นตัวตนถาวรนนะมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปพอรู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีนนะั้ได้พระโสดาบันแะลรู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องทํำยังไงหมดความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์เป็นพระโสดาบันขึ้นมาไม่สงสัยเรื่อการปฏิบัติทํำยังไงเพระาะปฏิบัติมาแล้วเห็นผลมาแล้วด้วยตัวเองนะต้องค่อยๆฝึกนะ ถ้าทําในรูปแบบนะนั่นแรกจือสี่ห้าไว้ทุกวันแบ่งเวลาทําในรูปแบบทําในรูปแบบนะทุกวันต้องไหว้พระสวมดมนต์ซะก่อนคิดถึงครูบาอาจารย์ซะก่อนถัดจากนั้นถ้ามันฟุ้งซ่านทําความสงบน้อมจิตอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเป็นอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวยังมีความสุขมันสงบวันไหนสงบแล้วมาฝึกให้จิตตั้งมั่น ให้คอยรู้ทานจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้จะได้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วก็แยกขันถ้าขันมันแยกแล้วก็ดูมันแสดงใจรักถ้ามันไม่แยกก็ช่วยมันแยกนั่งดูไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอะไรอย่างนี้ไปเนี่ยทาในรูปแบบนะวันหนึ่งทําให้ได้สัก15นาทีก็ยังดีต่อไปทํามากขึ้นได้เองนะเริ่มต้นอจาเอาหลายๆชั่วโมงเดี๋ยวมันทได้วันเดียวแล้ววันอื่นไม่ทําอีกล้ นะอวันหนึงสิบหนาทียีนาทีแต่ต้องทําให้ได้ทุกวันนะมีสัจจะจริงๆริงมีอธิษฐานน้าปรารถมตั้งใจแล้วทําให้ได้จะเป็นจะตายก็ทําให้ได้ไม่สบายมากก็นอนทำเอานะหรือท้องเสียโลกโก ก, โ ก, กอยู่ในส้วมนั่งอยู่ในส้วมมาทำเอาไม่เลิกหรอกนะไม่ใช่ว่าเข้าส้วมแล้วห้ามปฏิบัติธทมนะเกิดตายในส้วมเลยไปเป็นนอนอยู่ในส้วมอีกนะบางคนบอกอยู่ในส้วมห้ามปฏิบัติต้องบาปไม่บาปหรอก ท่านไม่เคยสอนเลยนะท่านสอนให้มีสติต่อเนื่องไปเรื่อยไม่ให้หยุดเลยนี่การปฏิบัติอีกแบบหนึ่งคือการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะถ้าเราเก่งเฉพาะการปฏิบัติในรูปแบบนะปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่เป็นนี่ยังใช้ไม่ได้ยังห่างไกลมากผลนิพพานมากเลยเพราะชีวิตจริงของเราอยู่ข้างนอกนี่เป็นส่วนใหญ่เราไม่ได้มีชีวิตจริงอยู่หน้าโต๊ะพระหิ้งพระหน้าในห้องพระอะไรเมื่อไหร่ชีวิตจริงของเราอยู่ข้างนอกนี่เป็นส่วนใหญ่นะ เวลาที่เราไปทําในรูปแบบวันนึงไม่เท่าไหร่หรอกชั่วโมง2องชั่วโมงอย่างมากสามชั่วโมงอย่างมาก เ, เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้ถ้าอยู่ในชีวิตนี้ภาวนามไม่ได้นะมักผลยังอีกไกลสักหนาเลยในชีวิตนี้ก็เราทิ้งเวลาส่วนใหญ่ไปวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ยากอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ต้อง6กช่องก็จริงนะแต่ทุกช่องที่มันกระทบอารมณ์แล้วมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจอันเดียวกัน ตาเห็นรูปนะความรู้สึกมาเกิดที่จิตหูได้ยินเสียงความรู้สึกมาเกิดที่จิตเนี่ยลองดูได้ยินเสียงแล้วอ่ะก็เลิกลนะจะโหมได้กลิ่นลิ้นได้รสใจกระทบสัมผัสนะความรู้สึกมันเกิดที่จิตใจหนีไปคิดความรู้สึกเกิดที่จิตงั้นให้เราคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆนะรู้เท่าทันจิตใจไปเลยตาเห็นรูปเห็นสาวสวยเดินมาใจมัชอบรู้ว่าชอบไม่ต้องดัดจริตทําเป็นอุเบกขาเห็นสาวสวยก็ทําใจเสื่องๆ อุเบกขาสาวสวยเดินมาแล้วอุเบกขายังไม่เท่าไหร่นะเห็นหมาบ้าวิ่งมาอุเบกขาอีกแล้วเนี่ยยืนกวางหมาอยู่นี่อุเบกขาโง่สุดขีดเลยรักษาตัวไม่เป็นนะต้อง uh. รู้จักรักษาตัวได้ค่อยรู้เท่าทันนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตินะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่เมื่อตาดูหูฟังใจคิดแล้วเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจรู้ไปเรื่อย เราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างนั้นเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปความสุขเกิดแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปความดีเกิดแล้วก็ดับไปนะความโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับไปมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไปทั้งสิ้นเลยเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้ให้มากเลยนะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะไม่ใช่ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะก็ไปทําตัวเหมือนตอนทําอยู่ในห้องกรรมฐานนะบางคนไปทํากรรมฐานฝึกไว้เสื้อเสื่องเนี่ยนะ ทำอะไรทีต้องช้าช้าสวดอยากข้ามถนนเดินไปถึงแล้วจาเป็นต้องข้ามถนนต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากข้ามถนนหรือว่าหรือว่าจาเป็ น, อ เ, ปนนะเอาจาเป็นนะเ้าต่อไปนี้ก้าวข้ามนะขยับขานะก้าวลดทับตายเลยไม่ทันไปไหนเลยนะฝึกในชีวิตประจาวันนะอย่าดัดจริตนะใช้ชีวิตอย่างนี้แหละ ไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยรู้อย่างที่มันเป็นนะเคยเดินขากระเพลกข้างหนึ่งก็กระเพกไปอย่างนั้นนะไม่ต้องเดินขาให้เท่ากันหรอกนะก็ขาเรามันสั้นข้างยาวข้างอะไรอย่างเงี้ยนะเดินกระเพกกระเพกก็ไม่เป็นไรนะทำมีท่าไหนก็ได้นะแต่ว่าตาหูจมูกเล่นกายใจให้กระทบอารมณ์ไปแล้วความรู้สึกเกิดเรารู้เอาจะเห็นทุกอย่างเกิดเรวดับไปนะฝึกเอานะค่อยๆฝึกเอา ถ้ารักษาศีลห้าได้ทุกวันทําในรูปแบบได้จะมีพลังนะแล้วเวลาลงมาปฏิบัติในชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่หลงยาวสติสมาธิมันจะดีหนะลงปุ๊บรู้ ป, ปั๊บหลงปุ๊บรู้ ป, ปั๊บไม่หลงยาวนั่นเราจะมีเวลาในการภานาเ น, นี่ยมากมายเลยบางคนบอกว่างานมากไม่มีเวลาปฏิบัติเลยงานมากลองไปสังเกตตัวเองอนะเอาเวลา ที่ว่าทํางานมากๆากะไปใจลอยซะเยอะเลยใจลอยมากกว่าชั่วโมงเรชั่วโมงหนึ่งใจลอยมากกว่าครึ่งชั่วโมงองบางทีใจลอยคิดอะไรเละ เ, เทะไปถ้าสมมติเรารู้จับเบรกตัวเองนะชั่วโมงหนึ่งเราเบรกสัก5นาทีถ้าทําได้นะอย่างเว้นเขียนซอ่อมแวร์ติดพันอยู่ยไม่ต้องเบรกหรอกเดี๋ยวงานสะดุดถ้างานอะไรที่มันเบรกตัวเองได้ชั่วโมงหนึ่งสักห้า น, นาทีนะเอาเลยนะ อย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนรับราชการเนี่ยมันพอเบรกไดนะ้ถึงชั่วโมงเราเดินไปห้องน้ำจริงหัวหน้าเงงมากเลยมันเดินไปห้องน้ำได้ทุกชั่วโมงเลยเราทำกรรมฐานไม่รู้นะถ้าชั่วโมงหนึ่งเราเก็บได้ห้านาทีส2บสองชั่วโมงได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเนี่ยเล็กนิดเดียวนะนึกว่าไม่สำคัญนะพวกเราถ้าเหลือห้านาทีเราจะโยนทิ้ง นึกออกไหมเราจะทิ้งเลยห้านาทีไม่เอาหรอน้อยไปเดี๋ยวจะรอว่างๆสักสามชั่วโมงเราค่อยมาปฏิบัติอย่างเงี้ยห้านาทีก็ทิ้งไปมีห้านาทีก็เอานะมีสามนาทีก็เอามีนาทีเดียวก็เอาแต่ไม่ใช่เครียดนะไม่ใช่เครียดทำไปสบายๆอย่างหลวงพ่อทำงานหัวต้องมีงานต้องคิดมากหัวหมุนติ้วๆเลยตอนที่จะเบรกเดินไปห้องน้าลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เนี้ย ดูจิตไม่ได้และดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้ดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวในในสังเกตตัวเองนะเวลาจะลุกจากเก้าอี้เนี่ยขยับมือก่อนเพราะเก้าอี้มันมีเท้าแขนเนี่ยแล้วขยับมาที่เท้าแขนนี่ก่อนแล้วตัวเท้าเราค่อยขยับแล้วตัวเราค่อยขยับค่อยลุกขึ้นมาดูร่างกายเคลื่อนไหวดูจิตไม่ออกดูร่างกายพาเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ํา ไปยืนฉี่ไม่ได้นั่งฉี่นะยืนสองขาด้วยไม่ได้ยืนขาเดียวนะฉีเนะ่เสร็จนั้นมีความสุขมีความสุขเกิดขึ้นทาไมมีความสุขก็เราไปห้องสุขขานะไปห้องสุขขามีความสุขละมีความสุขเนะี่ยกลับมาดูจิตได้แล้วไหมพอมีความสุขสมาธิเกิดแล้วพอมีความสุขก็เดินจากห้องน้ํากลับมาที่ทํางานกลับมาที่โต๊ะเนี่ยเดินดูจิตกลับมาได้แล้วเจอคนอื่นนะั้ทักทายนิดหน่อยนะ คุยเล่นบ้างอะไรบ้างก็ได้ถ้าใจมีความสุขใจเป็นยังไงก็รู้เจอไอ้คนนี้เกลียดหน้ามันทําเป็นไม่เห็ น, นเกลียดมันรู้ว่าเกลียดไม่ต้องตัดจริตเป็นคนดีนะแต่ว่ากิริยามารยาทภายนอกต้องดีนะแต่ทางใจเนี่ยอย่ากแกล้งอย่าจอมปลอมแต่ละคนร้ายร้ายโคตรโคตรเท่านั้นแหละถ้ามันไม่ร้ายโคตรโคตมันไม่มาเกิดยุคนี้หรอกมาเกิดในยุคที่เสื่อมทรามที่สุดแล้วนะพระพุทธเจ้าเราเนี่ย เมตตากรุณาสูงมากเลยท่านตรัสรู้ในยุคที่มนุษย์เสื่อมทรามมากนะถ้าสีริยะเมตไตรตรัสรู้ในยุคที่มนุษย์มีคุณภาพนะง่ายกว่ากันเยอะเลยนะงั้นบางคนดูถูกพระพุทธเจ้าเรานะนับถือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นับถือพระพุทธเจ้าในอนาคตองค์นี้ไม่ค่อยนับถือไม่รู้หรอกว่าองค์เนี้บรรลุก็เร็วนะเพราะปัญญาท่านกล้าตรัสรูเ้เร็วเพราะเป็นพระพุทธเจ้าชนิดปัญญาธิกะ แล้วมหากรุณาขอ้โหสุดๆเลยนะยอมจัดสรุในยุคที่แย่ๆมนุษย์แย่มากเลยคุณภาพทางจิตใจเลวสามอายุคภาศรีอาร น, นคุณภาพของคนมันสูงกว่า น, นี้สอนธรรมะนะมันง่ายฝึกนะตามพระุทธเจ้าของเราไปให้ทันอย่าเสียเวลามางคนรอเฉพาะพระศรีระยะเมตรไตร สิริยเมตไตรมาตรสลูก็มาสอนอริยสัจสีอันนี้แหละสอนธรรมะอันเดียวกันนี้แหละถ้าวันนี้ไม่มีปัญญารู้เรื่องที่พระพุทธเจ้าโคตาม้าที่สอนนะแล้วไม่ยอมปฏิบัตินะพี่เจอพระเมตไตรก็ภาวนาไม่เป็นอีกแนละ้ก็เหลวไหลต่อไปอีกมีคนเคยไปบอกหลวงปุ ด, ดูลนะว่าไม่ภาวนาดิฉันจะไม่ภาวนาดิฉันจะฟังเทศมหาชาติฟังเรื่องพระเวสสันดรนะถ้าฟังสิบสามการจบในวันเดียวนะเนี่ย ตามตำราที่เล่าลือกันมาบอกจะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานในยุคนั้นโอ้สุขสบายทุกอย่างเลยแล้วตรัสรูงง่ายหลวงพู ด, ดูนท่านบอกว่ามันเหลวไหลตั้งแต่ชาตินี้นะมันก็เหลวไหลไปเรื่อยๆนะไปเจอพระศรีานมันก็เหลวไหลอีกอ่ะไม่ได้กินหรอกเงั้นเราก็เริ่มต้นนะอย่าเหลวไหลลงมือปฏิบัติซะตั้งแ ต, แต่วันนี้นะภาคเพียรเข้ารักษาศีลห้าไว้แบ่งเวลาไว้วันหนึ่ง15นาที20นาทีทําในรูปแบบนะ แต่ในรูปแบบเพืแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันกแล้วแต่ละหลับฟูง้งซ่านทําความสงบสงบแล้วทําความตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วแยกขันขันแยกแล้วดูไตรลักษณ์ของขันนะเวลาที่เหลือปฏิบัติในชีวิตจริงนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตในใจคอยรู้ไปนะถ้าทําได้นะในเวลาไม่นานนักหลบเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจปีควรจะได้อะไรบ้างคนสมัยพุทธกาลนะ ชาวกุรุนะที่พระเจ้าแสดงสติปัฏฐานต่อชาวกุรุเนะี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าถ้าปฏิบัตินะเจ็ดวันเจ็เดือนเจดปีนะบางคนเจ็ดวันบางคนไม่เกินเจ็ดเดือนบางคนไม่เกินเจ็ดปีนะีบรรลุพระาอารหันต์หรืออย่างต่ําพระอนาคาอันนั้นชาวกุรุนะผู้มีบารมีสูงพวกเราไม่ได้มีบารมีอย่างชาวกุรุเลยชาวกุรุเนะี่ยตื่นเช้ามาเจอกันนะเขาจะทักกันว่าอย่างไง วันนี้ได้เจริญสติปัฏฐานหรื อ, อยังเราจะทักกันอย่างนี้นะของเราไปไหนมาบอลเมื่อคืนเป็นยังไงเนี่ยมันเทียบกับคนกุรู้ไม่ได้นะเพราะงั้นชาวกุรู้เขาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเขาเป็นพระอรหันต์หรือพระนขาคาของเราเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้พระโสดาเอาละได้แค่นั้นก็บุญ น, นักหนาแล้วนะบารมีมันไม่เท่าเขาหรอก จะว่าธรรมะของพระเจ้าไม่ดีจริงไม่ใช่นะบางคนเขาทำได้บางคนเจ็ดวันมีนะเจ็ดเดือนมีนะไม่ใช่ไม่มีมันอยู่ที่เราสะสมของเรามาแค่ไหนเท่านั้นนะแล้วก็ทุนเดิมทุนเดิมนะทำให้เราได้กายได้ใจที่สมบูรณ์มาทำให้เราสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติเนี่ยเป็นทุนเดิมทุนใหม่ก็คือความภาคเพียรที่จะลงมือปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันนี้แหละ เราเรียกว่าสัตต่อยอดบุญของเรามีบุญแล้วได้เกิดเป็นคนมีบุญแล้วได้ฟังธรรมมีบุญแล้วได้สนใจธรรมก็ต่อยอดตัวเองด้วยการภาวนาไปให้บุญมันเต็มมันเต็มเมื่อไหร่มรรผลมันก็เกิดนั่นแหละอดทนเอานะไม่ยากเท่าไหร่หรอกต่อไปนี้ไปกินข้าวการกินข้าวก็คือการปฏิบัตินะกินข้าวแล้วไปเข้าห้องน้ําก็คือการปฏิบัตินะไม่ใช่เวลาหยุดพักนะแต่อยา่าเคร่งเครียดนะเคร่งนะเคเราใช้ไม่ได้ นี่หมดเลยครับ